ตอนที่หกสิบเอ็ดที่แท้ท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยซูมานอินและฉินเสี่ยวเยเว่เดินออกมาจากสถานีรถไฟหุ่ยเฉิงเมื่อเห็นคนที่มารอรับทั้งสองก็ถึงกับตะลึงงานเกาชังเหอท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเกาชังเหอยื่นช่อดอกไม้สดให้ข้ามาเพื่อรอพบเจ้าอย่างไรเล่าซูมานอินนึกไม่ถึงว่าเกาชังเหอที่ไม่ได้พบกันเพียงไม่กี่วันจะดูกะล่อนขึ้นอีกหลายขุม ผู้อำนวยการเกาแผนรอบส่งทับเข้าเฉินชางของท่านนี่ช่างลำเลิดนักชินเสี่ยวเย่เว่เ อ, อย่ยเย้าท่านรู้หรือไม่ว่าแม่เลี้ยงตัวน้อยของข้าต้องนอนไม่หลับมาหลายคืนก็พระท่านซูมานอินทะลึงตาใส่ชินเสี่ยวย้าวก่อนจะรีบอธิบายอย่าไปฟังนางพูดเหลวหลายเมื่อได้ยินว่าหญิงในดวงใจกำลังคนหึหาตนเกาชางเหอก็รู้สึกเบิกบานใจจนแทบจะตัวลอยเขายิ้มกว้างจนปากแทบถึงใบหู กล้องวิดีโอของสถานีโทรทัศน์ประจําเมืองนั้นค่อนข้างล้าค่าอีกทั้งยังมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนบางอย่างต้องคอยคุ้มกันเก้าชังเหออธิบายสั้นๆข้าก็เลยสมัครใจมาที่หุยเฉิงหนะคําว่าสมัครใจนั้นเก้าชังเหอเน้นเสียงหนักแน่นเป็นพิเศษสู่ม่านอิ่มรับช่อดอกไม้มาไว้ในอ้อมแขนมุมปากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยความกังวลและความไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมามาลายหายไปสิน้น ยางเหวินจะวิ้งกลัวโซ่กลางและคนอื่นๆเมื่อเห็นเกาฉางเหอก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันทว่าเมื่อพวกเขามองออกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงไม่ได้เข้าไปขัดจังหวะเพียงแต่พยักหน้าทักทายเกาฉังเหออยู่ห่างๆถือเป็นการทักทายตามมารยาทขณะที่กำลังพูดคุยหยอกล้อกันอยู่นั้นหนุ่มนักกีฬาผิวเข้มผู้สดใสคนหนึ่งก็พุ่งพรวดเข้ามาสวัสดีสาวสวยทั้งสองคนข้าชื่อเกาเติงเป็นน้องชายของผู้อํานวยการเกาฉังเหอ เก้าตึงตัวสูงกว่าเกาฉางเหินเล็กน้อยร่างกายผอมเพรียวเพะว่าแข็งแรงใบหน้าดูขมเข้มเมื่อเขายิ้มจะเห็นลักยิ้มสองข้างประกอบกับฟันขาวที่ตัดกับผิวสีเข้มดูแล้วช่างหน้ามองยิ่งนักยินดีต้อนรับสู่หุ้ยเฉิงอันสวยงามชิ้นเสี้ยวเยเวจ้องตาครั้งนี้ไม่ใช่ที่ชายทหารที่นางเคยเห็นในโทรศัพท์มือถือในชาติก่อนหรอกหรือฝันกลายเป็นจริงแล้วหรือนี่พอดีเขาอยู่ในช่วงพักผ่อนค่าก็เลยให้เขามาช่วยงานนะ่ะ ก้าวางเหอนิกในใจว่าเจ้าเด็กนี่มันแค่มาหาเรื่องสนุกเสียมากกว่าพักผ่อนอะไรกันมาเล่นแง่ขอลาพักมาต่างหากที่แท้ท่านก็เป็นทหารอยู่ที่หุ่ยเฉิงนี่เองลำบากท่านแล้วซูมานอินทักทายก็ตึงตามรารยาทใครจะไปรู้ว่าเจ้าเด็กนี่จะเริ่มล้อเลียนขึ้นมาทันทีไม่ลำบากเลยครับพี่สะพายคนกันเองทั้งนั้นจะลำบากได้อย่างไรซูมานอินหน้าแดงกับนางหันไปมองก้าฉชางเหอซึ่งฝ่ายหลังก็ชะงักไปเช่นกันเจ้าเด็กบ้าพูดจาและเธออะไรของเจ้า ชินเสี่ยวเยเวส ก, กิดเพื่อนรักพรางกระซิบยิ้มยิ้มน้องสามีของเจ้าคนนี้ไม่เลวเลยนะซูมานอินขมวดคิ้วเสี่ยวเยเวเจะอยากได้มาทําตัวบ้าผู้ชายแถวนี้เชียวนะเฟิงจิ้นหัวหน้าทีมทา ง, งานจากในเมืองเห็นเห่าจิงเจี้ยนพานักธุรกิจต่างชาติออกมาแล้วจึงรีบเข้าไปสมทบลําบากท่านแล้วผู้อํานวยการหา่าไม่ลําบากหรอกทั้งหมดก็เพื่อเรื่องงานหลังจากห่าจิงเจี้ยนจับมือกับเฟิงเจิ้นแล้วเขาก็แนะนํานักธุรกิจต่างชาติหลายคนให้เฟิงจิ้นรู้จัก อยางลี่ลี่คอยทําหน้าที่แปลอยู่ข้างๆต่างจากท่าทางประมาทตอนอยู่บนรถไฟตอนนี้อย่างลี่ลี่มีความมั่นใจขึ้นมากแม้จะมีบางคําที่ฟังไม่เข้าใจแต่นางก็รู้ความหมายโดยรวมจึงไม่จําเป็นต้องไปยึดติดกับมันเหมือนที่ซูมานอินสอนนางไว้การแปลไม่ใช่การแปลคําต่อคําโดยเฉพาะการแปลสดเช่นนี้ขอเพียงสื่อสารเจตนารมออกไปได้ถูกต้องก็พอแล้วดังนั้นนางจึงพยายามทําให้มันง่ายที่สุดและรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่นขึ้นมาก ห่าวจิงเจี้ยและเต้งเลยที่อยู่ข้างๆถึงกับอึ้งไปหนี้ใช่เด็กสาวที่เคยร้องให้ขี้มูกโป่งบนรถไฟคนนั้นจริงหรือทางเมืองได้เตรียมรถตู้โดยสารทางธุรกิจไว้สําหรับนักธุรกิจต่างชาติส่วนวิสาหกิจที่มาร่วมงานนั้นต้องเช่ารถบสัสทุกท่านเชิญขึ้นรถคันนี้ครับเฟิงจ้านไผ่มือเชิญนักธุรกิจหลายคนไปที่รถตู้โดยสารทางธุรกิจอย่างสุภาพทว่าลินเลียกลับหยุดชะงักฝีเท้ากับทันหันหัวหน้าเฟิงข้าขอไปทักทายซูหน่อยได้ไหมคะ สู้คือใครหรือเฝิงจันมองไปทางเหาจิงเจียนห่าจิงเจียนจึงรีบอธิบายสู้คือสู่ม่านอินนางเป็นผู้อํานวยการสํานักงานของโรงงานท่ผ้าไห่เฉิงเป็นรองผู้อํานวยการโรงงานเครื่องจักรเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของสถานีโทรทัศน์ประจําเมืองและยังเป็นนักแปลที่เราจ้างชั่วคราวบนรถไฟด้วยครับพัพผ่าสินนีมันยอดคนประเภทไหนกันเนี่ยตําแหน่งนางยังเยอะกว่าข้าเสียอีกเฝิงจันประหลาดใจแล้วนางอยู่ที่ไหนเล่าไม่รอให้เหาจิงเจียนตอบอย่างลี่ลี่ก็ชิงพูดขึ้นก่อน ท่านผู้นำพี่ซูอยู่ที่รถบัสทางโน้นค่ะลินเลียมองตามนิ้วของหยางลี่ลี่ไปและเห็นซูมานอินเข้าพอดีซูลินเลียทิ้งเพื่อนร่วมทางแล้ววิ่งตรงไปหาซูมานอินทันทีซูมานอินได้ยินเสียงเรียกก็หยุดฝีเท้าลงทั้งสองสวมกอดกันที่หน้ารถซูเราจะได้พบกันอีกไหมแน่นอนการพบกันของเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นซูถ้าเป็นไปได้ค่าอยากเชิญเจ้าไปที่อังกฤษเจ้าเต็มใจไหม หากมีโอกาสข่าไปแน่นอนซูมานอินดึงแขนเกาฉางเหอรมาใกล้และจะพาแฟนของข้าไปด้วยลินเลียประหลาดใจนางนึกไม่ถึงว่าที่นี่จะได้พบกับหญิงสาวที่มีนิสัยร่าเริงเปิดเผยเช่นนี้ถึงขั้นกล้าแนะนำแฟนหนุ่มอย่างผาเผยซูมานอินประดับรอยยิ้มไว้ที่มุมปากช่างหัวมันเถอดอย่างไรเสียคนที่ฟังออกก็มีไม่กี่คนอยู่แล้วขออวยพรให้พวกเจ้านะสูเจ้าเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงและสง่า ง, งามที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบมาที่นี่เลย ลินเลียท่านเองก็เป็นหญิงสาวชาวอังกฤษที่สวยงามและเข้าใจผู้อื่นที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบมาเช่นกันทั้งสองพูดคุยหยอกล้อกันครู่หนึ่งก่อนจะแยกจากกันด้วยความอาลัยอาวรณ์เกาชังเหอมองตามแผ่นหลังของลินเลียที่เดินจากไปด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนเล็กน้อยทำไมนางถึงเอาแต่จ้องข้าละ่ะเกาชังเหอถามด้วยความสงสัยเจ้าพูดอะไรกับนางหรือข้า <c oughs> บอกว่าท่านคือบุริษกาดของข้าแล้วถามนางว่าดูเป็นอย่างไรบ้างนางบอกว่า นางชอบท่านมากหือเก้าช้างเหอหน้าแดงซ่านแบบนั้นไม่ได้น้ใจข้ามีเจ้าของแล้วเอาอย่างนี้ข้าจะไปอธิบายให้นางฟังเก้าช้างเหอเพิ่งจะก้าวเท้าก็ถูกซูมานอินดึงตัวกลับมาอย่างแรงก็เติงที่เพิ่งยกสัมภาระเสร็จและลงจากรถมาเห็นภาพนี้เข้าพอดีบ้าหน้าพี่สะพ้ยตัวน้อยของเขาแรงเยอะขนาดนี้เชียวหรือมีหน้าเล่าถึงสยบพี่ชายของเขาได้ที่แท้ก็มีฝีมือนี่เองมองอะไรอยู่หรือ ชินเสี่ยวเยเว่เดินเข้ามาสมทบเมื่อเห็นซูมานอิมดึงเกาฉางเหอมาไว้ข้างกายนางก็อดไม่ได้ที่จะผิวปากออกมาก็เติ่งตกใจอีกครั้งเขารีบดึงฉินเสี่ยวเย่ากลับขึ้นรถไปเจ้าแน่ใจนะว่านางคือแม่เลี้ยงของเจ้าก็ติ่งพูดอย่างอ่อนใจเจ้านี่นมันทําตั ว, เ, วเหมือน พ, อพวกตาแดงกับทันทีผู้อํานวยการหยางก็เติ่งดูข้าหยางเห ว, วินจะวินทําหน้าไม่ถูกกับท่าทางของนางแบบนั้นก็เติ่งที่เป็นทหารนิสัยผงผังคนนี้ถือว่าสุภาพมากแล้ว เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงงานว่าเกาช้างเหอมีน้องชายที่ไม่ค่อยได้เรื่องคนหนึ่งเป็นที่เรื่องลือในกองทัพว่าเป็นคนรับมือยากและมีนิสัยนักเลงพอตัวเห็นชินเสียวยาวไปแย่เขาเข้าคาดว่าอีกสักพักคงจะมีคำพูดร้ายๆหลุดออกมาแน่ด้วยความเกรงใจเขาจึงกำลังจะเอ่ยปากไก่เกลีย์ทว่าไม่ใช่ข้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเจ้าจะร้องให้ทำไมเมื่อครูท่านดุเกินไปแล้วใบหน้าอโลเลาของท่านบิดเบี้ยวไปหมดเลยชินเสียวเยเวสอื้นให้อย่างมีจังหวะพลางพูดอย่างน้อยใจ ท่านทําให้ข้าเสียใจเก้าเติ่งอึ้งไปเขาได้ยินอะไรนะผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้เสียใจเพียงเพราะใบหน้าอโลเลาของเขาบิดเบี้ยวอย่างนั้นหรือนี่มันตัณกะอะไรกันใบหน้าของเขามีความสําคัญในสายตานางขนาดนั้นเชียวหรือเอาละละข้าผิดเองพอใจหรือยังเก้าเติ่งเริ่มปลอบโยนด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนลงยางเหวินจะวิ้นและคนอื่นๆบนรถต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันงั้นงั้นท่านยิ้มหน่อยสิ ชินเสี้ยวเยว่ เ, วเช็ดน้ำตาพลางขอร้องเวลาท่านยิ้มเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆเลยดูสดใสและหล่อมากก็าตึงยกมุมปากขึ้นอย่างเกอเขินแบบนี้หรือคนบนรถต่างสูดลมหายใจเข้าลึกๆไม่รู้ทําไมมือและเท้าของพวกเขาถึงได้รู้สึกอ่อนเพรียวเพรียวแรงไปหมดทุกคนเบือนหน้าไปมองนอกรถแต่แล้วข้าหลอกท่านข้าบอกนางว่าท่านมีเจ้าของแล้วคนอื่นอย่าหวังจะมาแย่งไปได้พูดจบซูมานอินก็ประทับจูบเบาๆลงบนใบหน้าของเก้าช้างเหอ นางคิดว่าคงไม่มีใครสังเกตเห็นทว่าพอขึ้นรถมาก็บพบว่าสายตาของทุกคนที่มองมาล้วนแฝงไปด้วยรอยยิ้มล้อเลียนเก้าช้างเหอยือนอึ้งอยู่ที่หน้ารถอยู่นานกว่าจะสงบสติอารมณ์และขึ้นรถมาได้ใครจะรู้ว่าพอขึ้นรถมาก็ได้ยินหยางเวินจวินเป็นแกนนำส่งเสียงโห่ร้องแซวผู้อำนวยการก็ยินดีด้วยนแต่งงานเมื่อไหร่ต้องแจกลูกอมงคลด้วยเล่าชช่ บนรถอีกคันเฟิงจ้านถามห่าวจิงเจี้ยนด้วยความสงสัยว่าทำไมมิชชาวต่างชาติถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับซูมานอินักหาวจิงเจี้ยนจึงเล่าเรื่องราวบนรถไฟให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอย่างลิลี่ที่อยู่ตรงกลางก็คอยพูดเสริมชื่นชมซูมานอินอยู่หลายประโยคเฟิงจ้านอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากชมย่อฝีมือซ่อนตัวอยู่ในหมู่สามัญชนโดยแท้ซูมานอินคนนี้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถจริงๆสมควรได้รับการพิจารณาใช้งานเป็นกรณีพิเศษ ชินเสี่ยวเย่เว่นั่งติด ก, กับซูมานอินทว่าข้างหลังของพวกนางก็คือสองพี่น้องตระกูลเก่าเสี่ยวเย่เว่เอาอย่างนี้หมาเจ้าลองสลับที่นั่งกับผู้อํานวยการก็ดูหยางเหวินจะวินเสนอแนะด้วยความหวังดีควรจะให้คนเขาได้อยู่พร้อมหน้ากันนะไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากนะชินเสี่ยวเย่เยกมือขึ้นอย่างจนใจพวกท่านดูสิสหายซูมานอินต่างหากที่รั้งข้าไว้ไม่ยอมปล่อยซูมานอินหน้าแดงระเรื่อผู้อํานวยการหยางท่านอย่าได้เอาเรื่องของข้ามาล้อเล่นเพื่อความบันเทิงเลยระวังข้าจะไม่ยอมแปล ง, งานให้ท่านนะ แบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดค่ายัางหวังพึ่งเจ้าให้ช่วยเจรจาปิดดีหลักล้านอยู่นะพี่สะพายของข้าเก่งขนาดนี้เชียวหรือก็ตึงหันไปมองพี่ชายที่แท้นิตาถึงจริงๆที่ความสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้มาได้เกาช้างเหอนะลึงตาใส่ก็ติงทะว่ามุมปากที่ยกขึ้นเล็กน้อยก็ยังคงทรยศ์ต่อความภาคภูมิใจในใจของเขาดูท่าที่แม่พูดจะถูกนะพี่นะดูจะคู่ควรกับพี่สะพายของข้าไม่ค่อยได้เลยเกาช้างเหิชะงักแม่บอกเจ้าอย่างนั้นหรือเกาเติงยักคิ้ว แล้วพี่คิดว่าทำไมค่าถึงต้องลาพักร้อนมาช่วยงานล่ะ